วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบุตรสัตว์เพื่อมีจิตศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาวัดกันให้หยุดทำงานกันหนึ่งวันเพื่อเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน ตลอดระยะเวลาหกเจ็ดวันที่ผ่านมาศรัทธาญาติโยมก็หาความสุขจากรูปเสียงกิจริรสผลิัชนิดต่างๆหาความสุขจากราบยศสรรเสริญที่มีทั้งเผ็ดทั้งร้อนมีทั้งหวานทั้งขมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปสลับกันมา เพนนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่มาเป็นคู่กันไม่ได้มาเป็นเดียวไม่ได้มาเพียงแต่สุขอย่างเดียวมาสุขแล้วก็มีทุกข์ติดมาด้วยเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านด้วยกันมีหัวมีก้อย ไม่มีเหรียญที่ไหนที่มีเหรียญหน้าเหมือนกันทั้งสองด้านไปว่าไปประเทศไหนไปดูเหรียญของแต่ละประเทศนจะมีสองหน้าที่ไม่เหมือนกันฉันใดสิ่งต่างๆที่เราหากันเพื่อให้ความสุขกับเรามันก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งมันจะให้ความสุขกับเราอีกด้านหนึ่งมันก็จะให้ความทุกข์กับเรา เพราะว่ามันพลิกไปพลิกมาเหมือนกับเหรียญเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเกล้งเหรียญไปโยนเหรียญขึ้นไปกลางอากาศแล้วไปมันตกลงม า, าบางทีมันก็ลงมาด้านหัวบางทีมันก็ลงมาด้านก้อยเอพราะนี่มันเป็นสิ่งที่เราจะไปสั่งให้มันลงมาด้านเดียวไม่ได้ เราไปด้สั่งให้สิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันเพื่อมาให้ความสุขกับเราเนี่เป็นเพียงแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้มันมีความทุกข์ติดตามมาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆรูปที่เราเห็น บางทีเห็นแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาบางทีเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียงที่เราได้ยินบางทีก็เกิดความสุขขึ้นมาบางทีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียงจากคนคนเดียวกันนี่แหละนะรูปของคนคนเดียวกันเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนไปจากสุขไปเป็นทุกข์ได้ทำไมเสียงของคนคนเดียวกัน บางวันฟังแล้วรู้สึกสุขใจบางวันฟังแล้วรู้สึกเจ็บใจอันนี้ก็เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวมันมีความทุกข์แถมมาด้วยติดมาด้วยในทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของเราจึงคุกเข่าไปกับความสุขกับความทุกข์ ต่อให้เราหาเงินทองมามากน้อยเพียงไรความสุขความทุกข์มันก็จะมาพร้อมๆกันออยิ่งมีมากยิ่งสุขมากก็จะยิ่งทุกข์มากออยิ่งสุขน้อยก็จะทุกข์น้อย เ, ออเพราะว่าเวลามันพลิกมันพลิกไปหาสิ่งที่ตรงกันข้าม ถ้าสุกน้อยมันก็จะพลิกไปหาทุกน้อยถ้าสุกมากมันก็จะพลิกไปหาความทุกมากถ้าไม่มีเลยก็ไม่สุกเลยไม่ทุกเลยแต่ปัญหาของพวกเราเราไม่สามารถอยู่โดยไม่มีความสุขได้นั่นเองใจของเรานี่ร้องหาแต่ความสุขตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วความสุขที่เราล้องหาที่เรา รู้จักหากันก็กลายเป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมาทั้งนั้นความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ติดมานี่เราไม่รู้จักหากันไม่รู้จักว่ามีหรือไม่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้จักว่ามีความสุขแบบไม่มีความทุก มีความสุขอย่างเดียวได้มาแล้วจะให้แต่ความสุขจะไม่ให้ความทุกข์กับเรา mm hmm. นี่คือความสุขที่เราจะได้จากการมาสัมผัสกับรสแห่งธรรมเนี่ยรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง mm hmm. ความสุขของธรรมชนะความสุขของ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ชนะกันตรงไหนชนะตรงกันตรงที่ไม่มีทุกข์นี่เองไม่ได้ชนะกันที่ตรงไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนถ้าเรากินอาหารถ้าอาหารมันมีพิษนี้มันก็จะอริดอร่อยขนาดไหน มันก็ซื้ออาหารที่ไม่มีพิษไม่ได้สมมติว่าอาหารที่เราไปกินในร้านพัตคาลหรูหราแต่เป็นอาหารบูดอาหารเป็นพิษนี่กับกินอาหารข้างถนนแต่เป็นอาหารที่ไม่มีพิษอันไหนจะดีกว่ากัน อาหารข้างถนนถึงแม้ว่าจะไม่หรูหราไม่มีราคาแพงแต่กินแล้วมันไม่ปวดท้องนะท้องไม่เสียแต่ถ้าไปกินอาหารในโรงแรมในพัตคารที่หรูหราแต่เป็นอาหารที่บูดที่คนปรุงอาหารเขาไม่รู้แต่เขาทำมาด้วยความสุดจริตใจ พอกินก็ไปแล้วก็ท้องเสียอันไหนจะดีกว่ากันอาหารที่กินแล้วท้องทำให้ท้องเสียกับอาหารที่กินแล้วไม่ทำให้ท้องเสียอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันความสุขทางธรรมนี่ก็เป็นความสุขแบบจะไม่ทำให้เราต้องเสียใจกัน แต่ความสุขทางโลกที่เราหากันอยู่ความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นความสุขที่ทำให้เราต้องเสีย อ, อกเสียใจกันต้องร้องห่มร้องไห้กันต้องน้ำตาตกหนกันต้องวิตกกังวลกันต้องวุ่นวายกัน ทุกวันนี้เราวุ่นวายกับเรื่องอะไรเราวิตกกังวลกับเรื่องอะไรเราเสียอกเสียใจกับเรื่องอะไรแล้วก็เสียอกเสียใจวุ่นวายไปกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลอดที่พวกเราหามาเส่กันนี่เองไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรเลยถ้าเราไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดนี้ รับประกันได้ว่าเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะไม่มีความทุกข์เลยเหมือนกับถ้าเราไม่กินอาหารบูดนี่รับรองได้ว่าท้องเราจะไม่เสียอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างรถแห่งธรรมกับรถของลาบยศสลดเสริญรถของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะมันแตกกันตรงที่ มีพิษหรือไม่มีพิษเท่านั้นเองคือมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์อันนี้เป็นพิษของใจความทุกข์นี่แหละเป็นพิษของใจถ้าใจลองไปเสพลาบยศจระเรินไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะแล้วรับรองได้ว่าจะต้องมีวันเสียใจตามมาจะต้องมีวันไม่สบายใจตามมา จำต้องมีการร้องห่มร้องไห้มีความเศร้าโศกเสียใจมีความวิตกมีความกังวลห่วงใยจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นนสดไปเสพลาบยศสรรเสริญต่างๆนี้เองเอาการไม่สบายใจต่างๆนี้ไม่ได้เกิดจากอะไร เกิดจากการที่เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นนสดเสบราบยศสารเสริญกันเพราะว่า <c oughs> ราบยศสารเสรินรูปเสียงกลิ่นรสดนี้มันมีพิษมันมีพิษซ่อนอยูอ่เวลาเราเสบนี่เราจะไม่รู้เป็นเหมือนยาขมเครือบน้ำตาลเนี่ยเวลาเราอมยาใหม่ๆนี้มันหวานเจี๊ยบเลยมัน แต่พอน้ำตาลที่เคลือบยาขมมันละลายไปแล้วทีนี้ลดของความขมมันก็จะโผล่ขึ้นมาลดของความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมานี่ล่ละทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเริ่มต้นด้วยเอาอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อน เพราะว่าเรายัางไม่สามารถที่จะเลิกแบบทันทีทันใดได้เหมือนคนที่ติดสุรานี่อยู่ดีๆบอกว่าเลิกดื่มแล้วอย่าไปดื่มมันไม่ดีมันเป็นพิษเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณแต่กำลังที่จะเลิกนี้มันไม่มีแต่ถ้าบอกว่าไหนลองเอาสักวันหนึ่งซิ อย่างนี้ก็ยังคิดว่าพอสู้ไหวลองเลิกกินเดื่มสุราสักวันหนึ่งลองเลิกสูบบุหรี่สักวันหนึ่งลองทำอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจลองเลิกมันสักวันหนึ่งเดีออถ้าวันหนึ่งนี่ก็ยังพอไหวอยู่แล้วถ้ามีเครื่องมือมาช่วยให้เราทำได้มันก็ยิ่งง่ายขึ้น ถ้าจะเลิกเฉยๆเลยมันจะยากแต่นอกจากการที่จะเลิกแล้วพระพุทธเจ้ายังมีเครื่องมือมีเครื่องมือที่จะทำให้เร า, เ, าเวลาที่เราเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นรสนี้จะไม่รู้สึกทรมานใจพอที่จะทนกับมันได้ ก็คือการให้เรามาหาลดแห่งธรรมกันนั่นเองไม่ได้ให้มาอยู่วัดอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวต้องให้มีอะไรทำต้องหางานให้ใจทำงานที่ดีที่สุดก็คืองานหาความสุขทางใจกันหารถแห่งธรรมกันซึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ ผสมมาด้วยไม่มีความทุกซ่อนอยู่มีแต่ความสุขล้วนๆเพียงแต่ว่าเวลาที่ยังไม่เคยเวลาที่เริ่มต้นหาความสุขแบบนี้จะรู้สึกว่ายากลำบากเพราะว่าไม่เคยหามาก่อนไม่เคยทำมาก่อนเป็นเหมือนกับการที่เราต้องหัดใช้มือที่เราไม่ถนัด เรามีสองมือแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้มือที่เราถนัดถ้าเราถนัดขวาเราก็จะใช้มือขวากินข้าวก็กินมือขวาเขียนหนังสือก็เขียนมือขวาทำอะไรก็จะใช้มือขวาถ้าถนัดซ้ายเราก็จะใช้มือซ้ายแต่ถ้าเราต้องมาเปลี่ยนจากมือที่ถนัดมาใช้ที่มือไม่ถนัดเนี่ย เราจะรู้สึกเก้ๆกลังๆอย่างไรลองกินข้าวมือที่เราไม่ถนัดดูเลยลองเขียนหนังสือมือที่เราไม่ถนัดดูเขียนแล้วเขียนไม่ได้ไม่ได้ตามที่เราเขียนแบบที่เราเขียนด้วยมือขวาเพราะว่ามันไม่ถนัดเท่านั้นเองทาไมคนที่เขาถนัดมือที่เราไม่ถนัดเขาเขียนได้อย่างดี ก็ก็ถนัดมือนั้นคนที่ถนัดมือซ้ายก็เขียนได้แต่คนที่ถนัดมือขวาให้ไปใช้มือซ้ายก็เขียนไม่ได้ถ้าจะเขียนได้ก็ต้องหัดต้องเริ่มต้นหัดใหม่เหมือนกับหัดกอไก่ขอไข่ใหม่หัดเขียนใหม่พอหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เขียนได้เนี่ยมีคนพิการที่อย่าว่าแต่มือเลยมือไม่มียังหัดใช้เท้าเขียนได้ มีจิตกรบางคนนี่พิการทางแขนทางมือเนี่ยไม่มีแขนไม่มีมือทั้งสองข้างแต่มีเท้าก็หัดใช้เท้านี่เขียนได้วาดภาพได้สวยกว่าคนที่มีมือวาดเสียอีกเพราะว่ามันเป็นของที่เราฝึกหัดได้ของพวกนี้ฉันใดการหาความสุขแบบที่เราไม่ถนัด ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถหัดได้อยู่ที่ว่าเรายินดีที่จะหัดหรือไม่เนี่ยการที่เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่เราต้องมีความยินดีในรถแห่งธรรมยินดีในธรรมเพราะความยินดีในธรรมเหนือกว่าความยินดีทั้งปวง เพราะถ้าเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะเข้าหาธรรมเมื่อเราเข้าหาธรรมเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมถ้าเราไม่ยินดีในรสแห่งธรรมเราก็จะไม่เข้าหาธรรมเช่นวันนี้ญาติโยมที่เป็นเพื่อนของญาติโยมเป็นญาติสนิทมิสหายที่ไม่ได้มากับญาติโยมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ยินดีในรสแห่งธรรม เขาก็เลยไม่มาวัดกันไม่ว่าวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าลถอย่างไหนดีกว่ากันแล้วพอรู้แล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีที่จะหารถแห่งธรรมนี่หาอย่างไรถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะไม่มาฟังเทศฟังธรรมเขาไปดูหนังดูละครดีกว่า ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดีกว่าอันนี้อยู่ที่ความยินดีถ้าไม่มีความยินดีในธรรมก็จะไม่เข้าหาธรรมเมื่อไม่เข้าหาธรรมก็จะไม่มีวันที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเมื่อไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ต้องสัมผัสกับรถของโลละบยศสระเสริญของรูปเสียงกลิ่นรถไปเพียงอย่างเดียว แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความเสียอกเสียใจเจอกับพิษของรสแห่งของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะสามารถสัมผัสกับรถแห่งธรรมได้สิ่งที่เราควรจะปลูกฝังในใจเราให้เกิดขึ้นมาก็คือให้เรามีความยินดีในรถแห่งธรรมนี่เองะ ถ้าเรามีความยินดีแล้วยินดีในลสในธรรมแล้วเราจะได้ความยินดีที่ดีที่สุดเพราะว่าการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้เข้าหาธรรมได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงนะทมอย่างไรเราถึงจะมีความยินีในในธรรมได้ เราก็ต้องศึกษาธรรมกันนั่นเองเหมือนกับการศึกษาศึกษาธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูโฆษณาทําไมเราถึงยินดีกับสินค้าชนิดนั้นชนิดนี้เพราะมันมีโฆษณามาบอกเราว่าสินค้าชนิดนี้ดีอย่างไรทาครีมชนิดนี้แล้วสิวฝ้าหายไปหมดเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนพอได้ยินว่าทาแล้วสิวฝ้าหายมาก่อนนี่ยินดีทันทีเลย คนที่มีสิวมีฝ้าเนี้ยโอโหเหมือนกับได้ได้พรสวรรค์จากาเทวดาส่งลงมาให้พอเราเห็นโฆษณาแล้วเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยเคยคนตอบกันเยอะไปหมดเลยขอจองหนึ่งขวดคนนี้ขอสามขวดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องได้เห็นโฆษณาสินค้าก่อนนั่นเอง เ, เขาเห็นสินค้าแล้วว่าโอ้สินค้าชนิดนี้อกินแล้วร่างกายจะแข็งแรงอายุจะยืนยาวนานจะมีพลังมีกําลังวังชาอซื้อกันใหญ่สั่งกันใหญ่ต้องมีการโฆษณาต้องเห็นโฆษณาของสินค้าธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้เห็นโฆษณาของสินค้านี่เราจะ ไม่มีความยินดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่กล้าลองไม่กล้าใช้กันแต่ถ้ามีการโฆษณาแล้วมีคนที่ใช้แล้วมารับประกันด้วยโอ้ยิ่งยิ่งเชื่อเลยโอ้ยคนนี้เคยใช้แล้วสิวฝ้าที่เคยมีอยู่นี่หายไปหมดถ่ายรูปมาให้ดูด้วยยืนยันก่อนใช้กับหลังใช้เป็นอย่างไรถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า คนที่มีเสียวมีฟ้านี้ต้องอยากจะซื้อขึ้นมาทันทีมีความยินดีที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้นทันทีเนีเพราะว่ามีสินมีการโฆษณาที่ดีที่เชื่อถือได้นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งปัญหาของธรรมะก็คือการโฆษณาไม่ค่อยดีระบบการตลาดของ ศาสนานี่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีวิธีโฆษณาที่จะดึงดูดให้คนที่ไม่รู้จักธรรมะนี้เข้าหาธรรมะกันในยุคสมัยใหม่นี้รู้สึกว่าเราอาจจะโชคดีเพราะมีคนที่สามารถเอาธรรมะมาโฆษณาให้ผู้อื่นได้เห็นได้ยินได้ฟัง แล้วก็ให้เกิดความยินดีขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําถ้าเรายังไม่มีความยินดีในธรรมถ้าเรายังไม่รู้ว่าธรรมะนี้ทําอะไรให้กับเราได้เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายกันยอีกอย่างหนึ่งปัญหาของสินค้าคือธรรมะทุกวันนี้มันไปถูก โฆษณาแบบผิดๆกันอทําให้คนนี้ขาดความมั่นใจขาดความเชื่อถือโฆษณาแบบที่พิสูจน์กันไม่ได้เเ่มือโฆษณาแบบพิสูจน์ไม่ได้คนก็เลยไม่กล้าใช้สินค้ากันใช้ไปแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้และบางทีก็ไม่ได้ดังที่คิดว่าควรจะได้ เช่นที่โฆษณาให้ไปกราบพระตามโบสต่างๆเพื่อให้ขออะไรต่างๆนี่ไปแล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็เลยทำให้คนไม่มีความมั่นใจในสินค้าอย่างนั้นเพราะว่าไม่เอาคุณสมบัติของธรรมะที่แท้จริงมาโฆษณากัน เอาคุณสมบัติที่ไม่ที่ไม่ใช่เป็นความจริงมาโฆษณากันเนี่ยโฆษณาว่าพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะได้อะไรไปขอได้อยากจะได้ลูกก็ขอได้อยากจะได้แฟนก็ขอได้อยากจะได้ตำแหน่งก็ขอได้ นี่เป็นสินค้าโฆษณาที่เราพวกเรามาักจะได้ยินได้ฟังกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงของพระธรรมเลยความจริงของพระธรรมนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละเรื่องเลยเราก็เลยเข้าไม่ถึงพระธรรมกันเพราะโฆษณาให้เราไปหาพระพุทธรูปกันแทน ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้คือพระธรรมคาสอนถ้าเราอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าหาพระธรรมคาสั่งคาสอนถ้าเราคิดว่าเราไปหาพระพุทธรูปแล้วเราได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถ ที่จะโดนบันดาลสิ่งต่างๆให้กับเราเราก็จะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขอมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะให้เราได้มันก็ได้เองถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมที่จะให้เราได้มันก็ไม่ได้ แต่ให้เราขออย่างไรขอจากองค์ไหนก็ตามถ้าเหตุปจัจจัยมันไม่พร้อมที่จะให้เราได้มันก็ไม่ได้แต่บังเอิญเวลาเราไปขอเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็เลยทำให้คิดว่าโอ้เพราะการมาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เองทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้กันก็เลยเอาไปโฆษณากันอีกต่อนึ่างนี <Thank you> ้ไปรับประกันสินค้าให้กับ อผู้อื่นว่าอยากได้อะไรไปที่วัดนี้นะไปขอพรจากพระในโบสถ์นะรับได้รับรองได้ขออะไรได้อย่างนั้นเพราะฉันขอมาแล้วฉันขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยอันนี้เป็นเรื่องของเหตุบังเอิญเป็นเรื่องจังหวะเวลาที่เราอยากได้อะไรมันได้พอดี รอมานานแล้วพอดีจังหวะไปขอที่วัดเข้าไปเข้าโบสถ์ไปกราบพระพอดีเป็นจังหวะที่จะได้พอดีมันก็เลยคิดว่าเราได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเข้าไปขอานั่นเองอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงของพระ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะหนึ่งพระธรรมคําสอนก็ไม่ได้สอนให้เราขอ ลาบยศสรรเสริญไม่ได้ให้เราขอความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะพระธรรมคำสอนท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันจะให้ความทุกข์กับเราไม่ช้าก็เร็วเวลาได้มาใหม่ๆมันเป็นความสุขแต่ต่อไปมันจะเปลี่ยนไปมันจะหมดไป พอเวลามันเปลี่ยนไปมันหมดไปความสุขที่ได้มันก็จะหมดไปหรือเปลี่ยนไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือสิ่งที่พระธรรมของอันเปรสริฐขาดก็คือการโฆษณาที่ดีผู้ที่สามารถที่จะมาโฆษณาธรรมะ อันประเสริฐของพระตเจ้านี้มีน้อยเพราะว่าผู้ที่รู้ผู้ที่ได้ใช้สินค้าชนิดนี้มามีน้อยนั่นเองผู้ที่ได้ใช้สินค้าได้ใช้ธรรมะได้เสพสัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้คือใครก็คือพระอริยบุคคลนั่นเองพระอริยบุคคลเท่านั้นเป็นผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมะ และได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงซึ่งมีน้อยมากจำนวนของผู้ที่ได้ใช้ใช้ธรรมะและได้เห็นผลของธรรมะและเป็นผู้ที่มามาโฆษณามาบอกให้พวกเราฟังกันว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเลิศเท่ากับ ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลิกเท่ากับการที่ได้บรรลุธรรมที่เกิดจากการศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะการบรรลุธรรมนี่แหละที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีน้อยมาก ผู้ที่รู้ธรรมะผู้ที่รู้คุณสมบัติของธรรมะผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมะแล้วและได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐของธรรมะนี้มีน้อยถึงแม้เราจะมีนัก บ, บวชในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าพระภิกษุนี้มีเป็นหลายแสนกระตามแต่บรรดาพระภิกษุเหล่านั้นยังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ ใช้ธรรมะยังไม่ได้บรรลุธรรมกันเวลาท่านโฆษณาท่านก็เลยโฆษณาแบบผิดผิดถูกถูกกันแล้วผู้คนได้ยินได้ฟังโฆษณาก็ไม่ค่อยมั่นใจมักจะทำให้เกิดความรังใดสงสัยยังไม่ค่อยมีความยินดีในธรรมกันแต่ผู้ที่ได้ไปได้ยินได้ฟังโฆษณา ได้ฟังธรรมจากพระอริยะบุคคลนี้มักจะเกิดศรัทธามักจะเกิดความยินดีกันมักอยากเกิดความยินดีที่อยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมกันซึ่งส่วนใหญ่พระอริยะบุคคลก็จะอยู่ในป่าในเขากันเพราะในป่าเขานี้เป็นที่ปลูกที่สร้างพระอริยบุคคลนั่นเอง ้ายแล้วบุคคล น, นี้จะไม่เกิดในในบารในผับในโรนนงแรมจะมักจะไปเกิดในป่าในเขาในป่าช้าในในถ้ำในซอกผาที่มีความสงบที่ห่างไกลจากราบยศสลเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง ผู้ที่ต้องการที่จะไปดูโฆษณาของธรรมจึงมักต้องไปตามวัดป่าวัดเขากันครับถ้าอยู่ตามวัดบ้านนี้จะไม่ได้เห็นโฆษณาของธรรมที่ที่ตรงกับความเป็นจริงจะเห็นแต่โฆษได้เข้าถึงรถแห่งธรรมโฆษณาแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เั่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แล้วชาตินาศกลับมาจะกลับมารวยตายไปจะได้ไปสวรรค์ซึ่งมันเป็นของที่ไม่สามารถจับต้องได้จากการกระทำเวลาบริาจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรความยังไม่รู้ว่าได้ไปสวรรค์จริงหรือเปล่ากลับมาแล้วจะรวยจริงหรือเปล่า อันนี้จึงทำให้ไม่ค่อยมีความมั่นใจกันถ้าทำก็ทำด้วยศรัท ธ, ธาความเชื่อแต่ยังไม่ได้เห็นกับตาด้วยตนเองแต่ถ้าได้ไปดูโฆษณาของพระอริยบุคคลท่านจะสอนให้เราเข้าหาลดแห่งธรรมได้ในปัจจุบันเลยให้เราได้เห็นความสุข อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้ได้ในปัจจุบันนี้เลยที่จะทำให้เราอยากจะลองสัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้เพราะท่านยืนยันด้วยตนเองว่ารดแห่งธรรมที่พระเจ้าได้ทรงสัมผัสแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรานี้เป็นของจริงเป็นของที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้เลย สามารถสัมผัสได้เลยในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนแล้วถึงจะได้รับผลอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันทำบุญแล้วจะได้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้กลับมาเกิดก็จะร่ำรวยชาติหน้าก็จะรวยกว่าเก่า อันนี้มันก็เป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงที่ไกลจากตัวเรามากมันทำให้เราบางทีไม่มั่นใจหรือทำก็ทำแบบเหมือนกับซื้อประกันภัยอย่างนั้นซื้อเผื่อไว้หน่อยดีกว่าไม่ซื้อแต่เวลาเกิดเวลาจะต้องเคลม่ไม่รู้จะเคลมได้หรือเปล่ายัางไม่มั่นใจบริษัทประกันมันจะโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันจะเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ยังไงก็เอาซะหน่อยลองไว้ซะหน่อยเผื่อไว้เผื่อถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ยังจะได้มีประกันไว้เคลมได้ไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ถ้าเราไปฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยบุคคลนี่ท่านจะสอนให้เราเข้าหาธรรมที่เราสามารถสัมผัสรับรู้ได้ในปัจจุบันนี้เลย ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำถูกต้องตามวิธีการที่สั่งสอนมาผลมันจะต้องเกิดขึ้นทันทีแล้วพอเกิดขึ้นนี้เราจะมีความเชื่อมั่นในธรรมขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ลังเลสงสัยจะมีแต่อยากจะสร้างทำให้มันมีมากขึ้นไปตามลำดับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเกิด ฉันทะคือเกิดความยินดีในธรรมที่ชนะการยินดีทั้งปวงเราต้องศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากแหล่งที่ถูกต้องแหล่งที่ถูกต้องนี่ก็มีสองแหล่งด้วยกันคือหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเองที่ได้ทรงสอนไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีได้ถูก บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆเช่นมงคลสูตรธรรมจากกบรวรตนาสูตรติตปฐฐานสูตรอานันทลักษณสูตรการลามสูตรสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นคำสอนจริงๆของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำโดยพระภิกษุที่บวชในแต่ละยุคในแต่ละสมัย มีการบวชมาตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา ม, มาจนถึงวันนี้ 2,600 กว่าปีแล้วมีพระบวชกันแล้วพระที่บวชก็จะท่องกันจะท่องคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ากันมาจดจำกันเพราะการท่องนี้เป็นการศึกษาเป็นการศึกษาคำสอน เป็นการเรียนเราไปโรงเรียนเราก็ท่องกอไก่ขอไข่กันใช่ไหมถ้าเราไม่ท่องกอไก่ขอไข่เราจะจํากอไก่ขอไข่ไม่ได้เราก็จะอ่านไม่ออกจะเขียนไม่ได้แต่ถ้าเราท่องกอไก่ขอไข่สละอาสละอาสละอีสละอีแล้วก็ท่องวิธีผสมกอไก่ผสมสละอาก็เรียกว่ากะผสมสละอาก็เรียกว่ากา เราก็ท่องกันจํากันแล้วเดี๋ยวเราก็อ่านได้หนังสือที่เขาเขียนไว้มันก็เป็นตัวอักษรที่เราท่องกันนี่เองพอเราชำนาญแล้วเราไม่ต้องเวลาอ่านไม่ต้องสะกดใดมันอัตโนมัติเห็นตัวอักษรปุ๊บก็อ่านได้เลยห้ามเข้าออนี่เห็นไ้มไม่ต้องอ่านหอหีบสระอาไม่ต้องอ่านแบบนั้นพอมันอ่า น, ม, นมันจาได้มันชนานาญ พอเห็นตัวอักษรเขียนปั๊บนี่อ่านปุ๊บเลยห้ามเข้าอเลี้ยวซ้ายไม่ได้ห้ามจอดเนี่ยจะเห็นป้ายทันทีจะรู้ทันทีจะอ่านได้ทันทีอันนี้ก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลพระภิกษุ ท, ที่บวชก็ไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยก็ต้องอาศัยการท่องจําจากพระรูปอื่นจากครูบาจารย์รูปอื่นครูบาาจารย์ที่ท่าน บวชมานานท่านก็เคยท่องมาก่อนท่านก็จะจำได้พระสูตรแรกที่พระเจ้าสอนมีชื่อว่าอะไระปฐมเทศนามีชื่อว่าธรรมจักกบปวัตนาสูตรเนี่ยมันจำกันได้มาถึงปัจจุบันเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีสองพันหกร้อยปีแล้วเพราะอาศัยการจดจำของพระที่มาบวชกันเพราะการจดจำการท่องบท น, นี่ ก็เป็นการศึกษาพระธรรมไปในตัวเพราะสมัยก่อนเขาใช้ภาษาเดียวกันภาษาที่เรียนกันนี้เป็นภาษาที่เขาพูดกันพอเขาท่องเขาก็เข้าใจความหมายกันไม่เหมือนกับสมัยเรานี่ภาษาพูดของเรากับภาษาธรรมะมั น, นเป็นคนละภาษาไปแล้วพอเราสวดเราท่องเราไม่เข้าใจความหมายเราไม่รู้ว่าเราท่องอะไรท่องได้แต่ไม่รู้ความหมาย อิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสามพุโทโธเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าอะไรไม่รู้แต่สวดได้ไม่สวดได้มันก็ได้ประโยชน์เพียงครึ่งเดียวการสวดมนต์การสวดบทคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิธีฝึกสติฝึกสมาธิแบบหนึ่งแต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้ความรู้ แต่ถ้าเป็นภาษาเดียวกันถ้าสมมุติวสวดบทแปลเดี๋ยวนี้ก็มีคนเขาเปลี่ยนภาษาบาลีมันเป็นภาษาไทยพอเราสวดเป็นภาษาไทยเราก็รู้ ร, รู้ว่าอ๋อเรากําลังสวดอะไรอยู่เพราะพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเอตัดสั้นด้วยชอบด้วยพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมา ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์คบถ้วนจากการท่องสวดมนต์ต่างๆนี้ควรจะท่องสวดในภาษาที่เราเข้าใจในยุคที่เราศึกษาธรรมะใหม่ๆเราได้หนังสือจากประเทศสีนังกามาเป็นภาษาอังกฤษแล้วพออ่านแล้วก็เข้าใจเพราะเป็นภาษาที่เราเรียนรู้อยู่ พออ่านก็เข้าใจรู้ว่าจะต้องทำอะไรไปอ่านสติปัฏฐานสูตรท่านก็สอนว่าให้นั่งสมาธิด้วยการใช้อานาปานสติให้ดูลมหายใจเข้าออกมันก็ง่ายๆลมหายใจเราก็หายใจกันอยู่ตลอดเวลาดูลมมันจะไปยากอะไรเราเคยดูหนังดูละครดูอะไรมาเยอะแยะ ทำไมดูลมเฉยๆอย่างเดียวมันจะยากตรงไห น, มนไม่เห็นยากตรงไหนเลยก็ลองทาดูทามันก็เห็นผลเลยทำให้ทำไมใจเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นก็เพราะเราหยุดคิดนั่นเองความคิดนี้มันเป็นตัวสร้างอารมณ์วุ่นวายต่างๆขึ้นมาพอเรามาดูลมหายใจแทนที่จะไปนั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ความคิดเหล่านั้นก็จางหายไป พอความคิดจางหายไปใจก็เย็นสบายขึ้นมาง่ายๆเนะี่ยธรรมะคำสอนของพ ร, ระเจ้าไม่ยากเย็นเลยลองไปอ่านสติปัฏฐานสูตรแปลดูสิไม่มีความลึกรับที่ตรงไหนเลยตรงไปตรงมาเหมือนกับวิธีใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลาซื้อโทรศัพท์มาใหม่เขาจะมีกระดาษมาให้เราชิ้นหนึ่งใช่ไหมเปิดเครื่องยังไงชาร์จแบตยางไงง่ายๆ พอเราทําตามที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ใช้โทรศัพท์ได้นะขั้นแรกเขบอกให้ชาร์จแบตก่อนพอชาร์จแบตเต็มแล้วให้กดปุ่มเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องขึ้นมาก็มีตัวอะไรต่างๆให้เราเลือกกดเอยากจะดูอยากจะใช้โทรศัพท์ก็กดตัวนี้อยากจะใช้กล้องก็กดตัวนี้มันไม่ยากเย็นหรอกถ้าเรามีคู่มือมาบอกเราว่าต้องทําอย่างไรบ้าง แต่ต้องเป็นภาษาของเราเนี่ยถ้าเป็นคู่มือเป็นภาษาจีนเนี่ยมันผลิตมาจากเมืองจีนต้อเป็นภาษาจี น, เ, นเราดูแล้วก็ไม่เข้าใจงงก็ใช้ไม่ได้ครับไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยเขาแปลกันมาเนี่ยเนี่ยมันมาจากประเทศจี น, นพอมาถึงเมืองไทยเขาต้องแปลมันก่อนเขาถึงจะ่อเอามาขาย แต่ทำไมศาสนาพุทธเราไม่แปลกันนะมาจากประเทศแขกก็ภาษาแขกมาสอนพวกเราแล้วพวกเรามันใช้ภาษาไทยแล้วมันก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่อยากจะอ่านกันนะมีใครอยากจะอ่านธรรมะกันบ้างอ่านหนังสือธรรมะกันมันมีแต่ภาษาบาลีใช่ไหมบทสวดมนต์ก็มีแต่บาลีอิตปิโสภะกวามงคลละสูตรก็มีแต่บาลี เสวะนาจับาลานังบันดิตานันจะเสวนาอ่านได้สวดได้แต่ไม่รู้แปลว่าอะไรมันก็เลยไม่อยากจะอ่านกันไม่อยากจะสวดกันไม่อยากจะเข้าหาธรรมะกันเลยไม่มีความยินดีในธรรมกัน ว่าไม่รู้ว่าทำวิเศษอย่างไรเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่ถ้าไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาให้เรามาเครื่องหนึ่งแล้วเขาก็เอากระดาษที่สอนให้ใช้เป็นภาษาจีนมาให้อ่านนี่รับรองได้โยนทิ้งเนยไม่รู้ใช้มันไม่เป็นเอามาก็ไม่รู้จะทํอะไรเปิดก็เปิดไม่ได้เปิดตรงไหนก็ไม่รู้ถ้ายังไม่ชาร์จแบตมันก็ไม่รู้ว่ามันมันก็ไม่มีไฟ พอจะมาใช้เข้าก็ใช้ไม่ได้ก็เราโยนทิ้งดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราโยนทิ้งของดีกันเราโยนทิ้งพระพุทธศาสนากันเราโยนทิ้งพระธรรมคาสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะใช้ธรรมะมาให้เกิดประโยชน์กับเรานั่นเองแต่ถ้าเราลองอ่านธรรมะเป็นภาษาของเราดูสิแล้วเราเข้าใจความหมายแล้วเราลองทาตามดู มันไม่ยากเย็นหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ตรงไปตรงมาถ้าอยากจะฝึกสมาธิพระพุทธเจ้าก็บอกให้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองการดูลมมันยากตรงไหนแล้วดูของยากกว่านี้ยังดูได้ดูหนังดูละครดูการน้องนำทำเพลงดูละครสัดดู กายกรรมอะไรต่างๆมันบางทีมันยากเย็นกว่าเสียด้วยซ้าไปเพราะมันมีการกระโดดต้นเต้นวิ่งไปวิ่งมาขึ้นขึ้ น, นลงๆแล้วยังตามดูทันเลยแล้วไอ้ดูลมหายใจเขาออกที่อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดทำไมดูไม่ได้มันยากตรงไหนมันไม่ยากหรอกเพียงแต่เราไม่รู้ว่าดูแล้วได้อะไรก็เลยไม่อยากดูกัน ถ้าเราเรียนเราจะได้รู้ว่าถ้าเราดูลมแล้วเราจะได้มีงานทำเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่ทำให้เราวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆไม่มีความสุขเลยเวลาเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ที่มีปัญหากับเราเนี่ยพอคิดแล้วละใจก็ไม่สบาย ถ้าเราเอาใจที่คิดถึงเรา่งเงา่างนี้มาให้ดูลมเฉยๆอย่าไปค hey, ิดอะไรให้ดูลมตั้งใจดูลมดูจริงๆเข้าก็ดูว่ารู้ว่ามันเข้าออกก็รู้ว่ามันออกมันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันยาวก็รู้ว่ามันยาวมันหยาบก็รู้ว่าหยาบมันละเอียดก็รู้ว่าละเอียดนั่งดูไปอย่างเดียวเหมือนดูละครดูหนังเวลาดูหนังนี่ตั้งใจดูมัน คนนี้เป็นพระเอกใช่ัหมคนนี้เป็นนางเอกใช่ไหมมีมีลูกกี่คนมีตำแหน่งอะไรดูรู้อยู่ทุกเวลาเลยติดตามได้ทุกเวลาให้ดูแบบดูละคอนี่แหละดูลมก็เหมือนกับดูละคอนดีๆนี่เอดูลมก็ให้รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าหรือออกให้ดูตรงจุดที่มันเข้าออกถึงจะรู้ตรงปลายจมูกเนี่ยทางรูจมูกเนี่ย ลมมันต้องเข้าออกตรงนั้นนะ่ะมันไม่ไปเข้าออกที่ไหนแล้วแล้วเวลามันออกเราก็ต้องรู้สิเวลามันออกเวลามันเข้าเราก็ต้องรู้ถ้าเราดูทาไมจะไม่รู้ว่าลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงถ้าตอนต้นไม่รู้เอานิ้วไปวางไว้ที่จมูกก็ได้ดูว่าลมออกมันเป็นยังไงลมเข้ามันเป็นยังไงนะให้ดูเฉยๆดนะังนั้นให้จิตมีงานทำเพื่อที่จะบันจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมา คิดแล้วก็เกิดความอยากอยากแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากพอไปทำก็เกิดเรื่องขึ้นมาเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาร้อยแปดพันประการแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆได้รับรองไม่มีเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครแต่พอเกิดความอยากต้องไปทำนู่นทำนี่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้เพราะเขาก็อยากได้อันเดียวแบบเดียวกับเรา พอไปอยากได้คนคนเดียวกันก็แย่งกันตีกันแล้วสิอยากได้แฟนแต่เป็นแฟนคนเดียวกันคนนี้คนเขาก็อยากได้เราก็อยากได้แ ล, แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องต่อสู้กันใช้เล่เพธทุบายต่างๆใช้คุณสงคุณใสอะไรเข้าไปใหญ่เติมเงินเข้าไปสู้กันเข้าไปแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาก็ไปสร้างศัตรู ทำให้คนที่เขาไม่ได้เขาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเองเนี่ยไปวิ่งไปหาเรื่องหาเราทั้งนั้นด้วยความคิดของเราไม่หยุดคิดกันน้องหยุดคิดดีกว่าพอหยุดคิดแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าที่เราจะได้จากสิ่งที่เราคิดเพราะเวลาใจหยุดคิดมันจะสงบนั่นเองพอสงบแล้วมันก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขขึ้นมา ความสุขที่มีคำบรรยายอยู่คำเดียวคือคำว่าพอนั่นเองเป็นความสุขแบบพอพอได้ความสุขแบบนี้แล้วไม่อยากได้อะไรแล้วพอแต่ความสุขแบบอื่นนี้เป็นความสุขแบบไม่พอใช่ไหได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่หมได้แฟนคนหนึ่งพอไหมไม่พอเดี๋ยวก็อยากจะได้อีกคนหนึ่ง เดี๋ยวไปเจอคนถูกใจเข้าที่นี้ทำยังไงดีรักพี่เสียดายน้องนะไม่พอความสุขแบบอื่นนี้เ้าเรียกว่าเป็นความสุขแบบไม่พอได้เงินมาพันหนึ่งพอไหมไม่พ อ, อพอได้เพิ่มมาเป็นหมือนหนึ่งพอไหมก็ไม่พอเองความสุขแบบอื่นนี้จะเป็นความสุขแบบไม่พอกันแต่ความสุขแบบของพระพุทธเจ้านี่ เป็นความสุขแบบพอพอได้มาปั๊บพอเลยไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนเองที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีความยินดีในธรรม แลถ้าเราจะมีความยินดีในธรรมเราก็ต้องศึกษาธรรมศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษ า, เ, าเรียกว่าศึกษากระดาษที่ติดมากับธรรมะว่าวิธีใช้ธรรมะให้ใช้อย่างไรพอเรารู้จักวิธีใช้ธรรมะเหมือนวิธีใช้โทรศัพท์มือถือเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือทําประโยชน์ให้อะไรกับเราได้อย่างมากมาย แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเราก็โยนทิ้งไป <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันพวกเราส่วนใหญ่ใช้ธรรมะกันไม่เป็นเพราะกระดาษที่ติดมากับธรรมะมันมันเป็นภาษาแขกไม่มีใครมาแปลให้เราเราก็เลยอ่านไม่รู้เรื่อง อ่านแล้วไม่เข้าใจเอสวดได้สวดภาษาแขกกันเก่งชาวไทยเนี่ยเก่งภาษาแขกกันสวดมนต์นี้เป็นชั่วโมงเป็นภาษาแขกทังนอิติปิโสภะกวาอาเซวนาจะบาลานังพุทธังสรานังกะฉามิเเป็นภาษาแขกทั้งนั้นน่ะสวดได้แต่ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เราสวดกันเลยใช้ใช้ธรรมะไม่เป็นแทนที่จะใช้ธรรมะมาสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง กลับใช้ธรรมะมาหลอกเราให้เราหลงไหลกับพิธีกรรมต่างๆทำรายนี้ต้องมีพิธีกรรมไปหมดใช่ไหมสิ้นปียังต้องไปสวดข้ามปีกันไม่งั้นชีวิตจะไม่เจ้าหน้าจะไม่เจรานุ่งเรือง มันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่การสวดที่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเลยชีวิตเราจะขึ้นจะลงมันอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทาของเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วโกรธแห่งกรรมเนี่ยไม่อ่านกันไม่ศึกษากันมาเชื่อคาสอนที่แบบโฆษณาแบบผิดผิดกันอยากให้ปีหน้าดีกับปีเก่าสิ้นปีต้องไปสวดข้ามปีกัน ทำไมสวดคืนนี้ไม่ได้ทำไมต้องรอไปสวดกลางปีด้วยถ้ามันดีจริงก็สวดวันนี้ก็ได้สิว <c oughs> ะนี่แหละเราไ ด, เาได้เราได้หนังสือกากับธรรมะเป็นภาษาแขกเราต้องมาช่วยกันแปลละแปลให้มันเป็นภาษาไทยให้รู้ว่าวิธีที่เราจะเอาประโยชน์จากธรรมะนี้เอาได้อย่างไร เราต้องศึกษาธรรมศึกษาขั้นตอนของการใช้ธรรมะสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะถ้าเราได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วปัญหาของเราทั้งหลายหมดสิ้นไปไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปมีปัญหากับใครถ้าเรามีความพอแล้วเราอยู่คนเดียวได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายสร้างความพอให้กับเราเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสร้างความพอให้กับเรานี่แหละคือเรื่องของทาไมพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้พวกเราจะได้มีเวลาเข้ามาดูหนังสือกำกับที่มากับธรรมะ เพื่อให้เราจะได้รู้จักวิธีใช้กรรมธรรมะให้เกิดประโยชน์กับพวกเรานั่นเองตอนนี้เรายังใช้ธรรมะกันไม่เป็นใช้ธรรมะไปในทางที่ผิดกันเชื่อกันตามมาว่าต้องอยากได้อะไรอยากได้ความสุขความเจริญต้องไปโบทกันไปเข้าโบทถไปสวดไปอธิษฐานจิตไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วเดียวสิ่งต่างๆที่เราต้องการก็จะมาเองอันนี้เป็นความเข้าใจผิดพิธีกรรมต่างๆนี่ผิดทั้งนั้นอยากจะสุขอยากจะเริญต้องรอวันสิ้นปีแล้วถึงไปสวดมนต์ข้ามปีกันอีกสามร้อยหกสิบกว่าวันนี้ไม่ได้สวดเลยเรอสวดแค่วันเดียวแค่ชั่วโมงเดียวแล้วมันจะทำให้เราสุขให้เราจเจริญได้อย่างไร ถ้าการสวดมันทําให้เราสุขให้เราจเจริญเราก็ต้องสวดมันทุกวันสิยิ่งสวดมากมันยิ่งจเจริญมากใช่ไหมไม่ใช่สวดปป๊บเดียวแล้วเรจเริญไปทั้งปีมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ อยากจะให้ปีนี้มันยังเจริญอยู่ก็สวดมันไปสิสวดมันทุกคืนนะ่ะสวดข้ามปีทุกคืนนะ่ะรอก่อนตีหนึ่งรองก่อนสองยามก็นั่งสวดกันไปสวดข้ามปีทุกวันนะแล้วชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองถ้าอย่างนี้่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้เราสวดทุกวัน แต่สวดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธเออหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกออแล้วใจของเราจะได้เข้าสู่รถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงได้เนี่ยนี่คือ วันพระที่พวกเรามากันเพื่อมาดูโฆษณาของธรรมะดูหนังสือกบกับสินค้าที่มากับธรรมะว่าวิธีจะใช้สินค้าชนิดนี้ให้เกิดประโยชน์นี้ใช้อย่างไร ถ้าเราได้อ่านสินค้าได้ยินอ่านหนังสือกากับหรือได้ยินผู้ที่รู้จักใช้สินค้านี้มาสอนมาบอกเราว่าถ้าอยากจะใช้สินค้าชนิดนี้ให้ทำอย่างนี้ถ้าเป็นมือถือสิ่งแรกต้องทำก็คือชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตพอแบตมันเต็มแล้วขั้นต่อไปก็ให้กดปุ่มกดปุ่มเปิดเครื่องพอเครื่องมันเปิดขึ้นมามันมีตัว อะไรต่างๆให้เรากดก็เลือกกดเอาอยากจะถ่ายรูปก็กดตัวนี้อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์ก็กดตัวนี้มันจะบอกเราอยากจะดูวีดีโอก็กดตัวนี้อยากจะฟังเพลงก็กดตัวนี้เออเราเรียนรู้แล้วทีนี้โอ้เครื่องนี้กลายเป็นของวิเศษนะไม่ยอมให้ห่างไกลจากตัวเราเลยอยู่กับเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นอันนี้ก็แบบเดียวกัน ถ้าเรามาศึกษาวิธีใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์กับเราแล้วรับรองได้ว่าเราจะเอาธรรมะนีติดตัวกับเราตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเนี่ยเนี่ยสติเนี่ยพอเรารู้ว่าวิธีที่จะใช้สตินี่จะจะใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ได้สิ่งแรกเราต้องใช้สติเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนเนี่ย นี้เราก็จะเอาสตินี้ติดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาพุโทโธทั้งวันทั้งคืนพอพุโทโธแล้วทีนี้ต้องการอะไรมันก็มาเองต้องการให้สงบก็มาเองต้องการปัญญามากำจัดความทุกข์มันก็จะมาทันทีทีนี้เราจะไม่ยอมห่างไกลจากธรรมเมื่อก่อนกคหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญพอรู้จักวิธีหาความสุขอยากทำรรแล้วทีนี้เอาทำอย่างเดียว เดี๋ยวก็ไปบวชเนียเพราะบวชนี้จะได้ใช้ธรรมะได้ตลอดเวลาถ้ายังไม่บวชนี่ยังต้องไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ยังต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ยังต้องวุ่นวายกันอยู่พอพอไปบวชปั๊บนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้จะได้มีเวลามาใช้ธรรมะสร้างความสุขให้อย่างเต็มที่นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับในวันพระกัน ที่เราควรจะปฏิบัติกันควรจะกระทากันควรเข้าหาธรรมกันเพื่อให้เกิดความยินดีในธรรมเมื่อเกิดความยินดีในธรรมก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกมาวุ่นวายใจแบบที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้เพราะรถแห่งธรรมนี้ปราศจากความทุกข์ปราศจากความวุ่นวายใจนั่นเอง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวะเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 อาราโสยะาสัพติโยวิวาจันตุสัพปรโควินสศตุมัเตภวตวันตรายสุขีทีฆายุโกภวาภิวาตนาสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโน สุขังภาลาง